เราอย่าไปพิจารณากันถึงเรื่องภัยเล็กๆน้อยๆอย่าไปพิจารณาถึงอักคีภยัยถึงวาตภายัยถึงภัยที่เกิดขึ้นจากโจรที่เป็นโจรภยัยอะไรต่างๆเหล่านี้ภัยเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ภัยที่ร้ายที่สุดที่ครอบงมชีวิตของเราอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือปฏิสนธิการเกิดหรือชาติภัย ชาาภายัยพยาธิภัยมรณะภยัยได้แก่ความเกิดความแก่ความเจ็บและก็ความตายความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเหล่านี้เป็นภัยอันหนึ่งที่มีอยู่ในวัฏสงสารไม่ว่าจะเกิดในภพใดภูมิใดก็ตามก็หนีชาิชรามรณะไปเนี่ยไม่พ้นเพราะฉะนั้นชาติชรามรณะเนี่ยท่านจึงตรัสว่าเป็นภัยในวัฏสงสาร คือเป็นภัยระหว่างที่เราท่องเที่ยวมาเกิดชั่วชาติหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องพบภัยเช่นนี้จนกว่าเราจะตายจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นบุคคลใดก็ตามที่บรรลุถึงซึ่งโลกุตรธรรมแล้วและสามารถยังภัยในวตาสงสารเหล่านี้ให้กลับก็คือสามารถดับภัยในวตาสงสารเหล่านี้ได้ด้วยอริยมรรคอริยผลเช่นนั้นผู้นั้นก็ชื่อว่า ได้บรรลุถึงซึ่งสันทิฏฐิคือมีความเห็นถูกเห็นชอบแล้วและก็สามารถทราวัตตนนี้ให้กลับได้ก็คือบุคคลผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบโดยสมบูรณ์ได้แก่ผู้ที่บรรลุถึงซึ่งโลภุตรธรรมเนี่ยเป็นความหมายถึงคำว่าสันทิฏฐิหรือสันทิฏฐิโกที่แปลว่าผู้ตรัสรู้จะพึงเห็นเองหรือผู้รู้จะพึงเห็นเองนะ่ะก็เห็นได้ โดยอาการอย่างนี้นี่เป็นพระพุทธคุณหรือลักษณะของพระธรรมข้อที่สองส่วนข้อที่สมคือคำว่าอากาลิโกแปลตามสาวก็แปลว่าไม่มีการเวลาข้อนี้เราตีความกันผิดหลายท่านบางท่านบอกว่าธรรมะประพฤติได้ไม่มีการเวลา ความจริงก็ไม่ถูกธรรมะต้องมีการเวลาบางการเวลาประพฤติปฏิบัติไม่ได้ก็มีอย่างในเวลาใดที่จิตใจฟุ้งซ่านมากเวลานั้นจะไปปฏิบัติทําได้อย่างไรจิตไม่ควรแก่การงานก็ปฏิบัติไม่ได้เวลานั้นปฏิบัติไม่ได้คำว่าอาการิโตไม่ใช่หมายวามปฏิบัติได้ทุกเวลา หรือเวลาเราง่วงนอนร่างกายอ่อนเพลียเนี่ยจะไปนั่งกรรมฐานก็นั่งไม่ได้นั่งไปก็ง่วงหลับเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรนีน้จะปฏิบัติได้ทุกเวลาได้อย่างไรอาการลิโกหมายถึงว่าการให้ผลของธรรมนั้นไม่มีการเวลาในทีน่นี้ท่านเจาะจงลงไปเลยว่าธรรมที่เป็นอาการก ร, รรมหรือให้ผลโดยไม่มีการเวลานั้นหมายถึงโลกุตตรธรรม เช่นระหว่างมร ก, กับผลท่านพูดถึงวิถีจิตที่เป็นมรควิถีบุคคลที่จะบรรลุ ถ, ถึงซึ่งความเป็นอริยบุคคลเนี่ยเมื่อจิตขึ้นสู่วิถีนี้แล้วมรคจิตเกิดขึ้นทําหน้าที่ประหารกิเลสแล้วผลลจิตจะเกิดต่อจากมรฉะนั้นระหว่างมรคจิตกับผ ล, ลจิตเนี่ยเกิดสื่บต่อกันเป็นสันตติระหว่างมร ก, กับผลเนี่ยไม่มีอะไรมาขั้นกลางอยู่เลย เพราะฉะนั้นขณะจิตหนึ่งต่อขณะจิตหนึ่งเนี่ยจึงไม่มีการเวลาเป็นอาการลิกธรรมไม่มีการเวลานี่หมายถึงมรรคกับผลเช่นอย่างเราสร้างกุศลขั้นโลกุตระกุศลนี้เราก็จะได้รับผลในโลกุตระทันทีเมื่อบรรุถึงซึ่งโลกุตรากุศลคือธรรมกขจิตให้เกิดเราจะได้ผลละจิตทันที เช่นอย่างผู้ที่ปฏิบัติธรรมบรรลุถึงซึ่งความเป็นอริยบุคคลเนี่ยจะเป็นโสดาสกต า, าคาอนาคาหรืออรหรันต์ก็ตามถ้าหากว่ามรรคจิตนี้ทำลายกิเลสได้ในขณะจิตนี้แล้วขณะจิตต่อไปก็จะได้รับผลทันทีไม่มีการเวลาลักษณะการให้ผลแห่งธรรมในส่วนที่เป็นโลกุตตรธรรมนั้นจึงเป็นอาการิกรธรรมหรือเป็นธรรมที่ไม่มีการเวลาอย่างนี้ แต่ว่าในโลกิยากุศลธรรมเนี่ยมีการเวลาเราสร้างกุศลประเภทที่เป็นโลกิยะนี้ไม่ใช่ทําบุญวันนี้และพรุ่งนี้ก็จะได้บางทีคอยตั้งหลายปียังไม่ได้ก็มีบางทีกุศลบางอย่างต้องไปรับผลในชาติหน้าหรือมิฉะนั้นเกิดอีกตั้งเจดชาติสิบชาติถึงจะได้รับผลของกุศลก็มีเนี่ยท่านหมายถึงโลกิยากุศลกรรม คือกุศลประเภทที่เป็นโลกีนั้นต้องอาศัยการเวลาบางทีต้องคอยกันเป็นชาติชาติไม่ใช่คอยกันเฉพาะเดือนสองเดือนปีสองปีแล้วก็จะได้ผลโลกียากุศลนั้นก็จะต้องอาศัยการเวลานา น, านอยู่เราจึงจะได้รับผลนะโดยสมบูรณ์ฉะนั้นบางท่านที่ทำกุศลแล้วบางทีปัจจุบันชาตินี้อาจจะยังไม่ได้รับ จะต้องคอยไปอีกสองชาติสามชาติเป็นอัปาราปริยะเวทนิยกรรมก็มีเพราะฉะนั้นจึงต้องเข้าใจด้วยว่ากุศลที่จะให้ผลแก่เราไม่มีการเวลานั้นได้แก่โลกุตรัพุทสวเท่านั้นส่วนโลกิยุศลแล้วจะต้องอาศัยการเวลาทั้งสิ้นจะต้องอาศัยเวลาของการให้ผลจะกกี่ชาติก็าตามแต่ก็ต้องใช้การเวลาทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นคำว่าอากาลิโกที่ท่านได้กล่าวเอาไว้สรรเสริญพระธรรมคุณนั้นหมายถึงโลกุตตรธรรมว่าเป็นธรรมที่ไม่มีการเวลาส่วนคำว่าโอปนญยิโกปัจจัตังเวทิตพโพวินยูหินั้นจะได้อธิบายให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจในอาทิตย์ต่อไปวันนี้เวลาของการบรรยายวิสุทธิมรคก็สิ้นสุดลง ข อ, อนมโมทนาและขอบใจทุกท่านที่ได้สดับฟังธรรมในวันนี้ในวันนี้จะได้ขึ้นบทสังฆ ค, คุณหรือสังคานุสติอันเป็นคุณส่วนหนึ่งในพรัฒนายัยคำว่าสังฆเราแปลตามศัพท์แปลว่าสงสังฆ ค, คุณก็หมายถึงคุณของพระสงฆ์ การที่เราเจริญสังขารวิสตินั้นจะต้องระลึกถึงคุณของพระสงฆ์เป็นอารมณ์การที่จะนึกเอาถึงคุณของพระสงฆ์เป็นอารมณ์นั้นก็จำเป็นจะต้องทราบว่าพระสงฆ์นั้นมีคุณอย่างไรบ้างเพราะว่าการศึกษาถึงส่วนสังคปรุนี้ก็มีประโยชน์มากอยู่เพราะจะเป็นอุบายในการกำหนดสมาธิจิตให้เกิดขึ้น แก่สาธารชนทั้งหลายที่ที่สนใจในด้านการปฏิบัติ <l acht> เราสวดสนเสริญกันอยู่เป็นประจำในในการบูชาพระบรรณาธเช่นเราสวดว่าสุปฏิปันโนพระผวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระผวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนพระผวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโรภะวะโตสาวักะสังโขและก็อาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชรีกะระดิยโยอนุตตรังคุณยักเขตตังโลกสัสสังเรานมัสการพระสงฆ์อย่างนี้แม้แต่พระสงฆ์ที่ทำวัดเช้าวัดค่ำก็ต้องนมัสการคุณของพระสงฆ์ดังที่ได้กล่าวมา <c oughs> คือในทางพระพุทธศาสนาเหล่านี้ ความเป็นใหญ่ในสังขมนทนนั้นภายหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และได้ตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นแล้วพระพุทธองค์ได้มอบความเป็นใหญ่ทั้งในทานการให้บรรพชาแต่ทุลาบุตรผู้ศรัทธาในภายหลังให้อยู่ภายใต้อำนาจของสงฆ์ซึ่งมีหมู่สงฆ์เป็นที่ตั้งตลอดจนการปกครอง การวินิจฉัยอภิกรณ์ต่างๆก็ให้อยู่ในอำนาจของสงฆ์ฉะนั้นอำนาจของสงฆ์จึงถือว่าเป็นอำนาจที่สูงสุดในทางพระธรรมวินัยไม่ว่าจะประกอบกิจการงานอะไรทั้งหมดจะต้องประกาศท่ามกลางแห่งสงฆ์เมื่อพระสงฆ์ทั้งหลายมีมติเป็นเอกฉันอย่างไรแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายท่านลงมติอนั้นก็ถืออามติของสงฆ์เป็นใหญ่เป็นที่ตั้งถือว่าเป็นการสาเร็จ ในพิธีต่างๆ ต, ตามที่พระวินัยได้มอบหมายให้เช่นอย่างการที่เราจะรับรองคุรบุตรเข้ามาเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี้ท่านก็มอบอํานาจให้แก่พระสงฆ์ไม่ใช่เป็นพระ ข, ขึ้นมาเพราะอุปัชัยยะเพียงองค์เดียวแต่ต้องอาศัยพระสงฆ์หมู่ใหญ่เห็นชอบด้วยถ้าพระสงฆ์เห็นชอบแล้วจึงจะยกฐานะขึ้นเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานได้ นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสังฆกรรมซึ่งเราจะทราบได้ว่าสังฆกรรมหลายๆอย่างต้องใช้อำนาจของสงฆ์ทั้งสิน้นฉะนั้นการที่เราจะศึกษาว่าพระสงฆ์ได้มีพระคุณแก่เราอย่างไรนี้ให้ท่านทั้งหลายได้พึงเข้าใจว่าพระสงฆ์นั้นมีอยู่สองประเภทดือยกันพระสงฆ์ประเภทหนึ่งเรียกว่าสมมติสงฆ์ พระสงฆ์อีกประเภทหนึ่งอริยสงฆ์สมมุติสงฆ์นั้นก็คือพระสงฆ์โดยสมมุติที่สมมติกันขึ้นเป็นสงฆ์ส่วนอริยสงฆ์นั้นได้แก่พระสงฆ์ที่ท่านได้บรรลุถึงซึ่งอริยามรรคอริยผลแล้วพระสงฆ์ในพุทธศาสนาเนี่ยจึงมีอยู่สองประเภทด้วยกันการบูชาพระรัตนตรัยนั้นเราจะต้องน้อมจิตนึกถึงพระสงฆ์ทั้งสองประเภทนี้ เพราะไม่ว่าจะเป็นสมมุตติสงฆ์หรือพระเยสองก็าตามท่านเป็นผู้มีบทบาทอันสำคัญในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาอย่างมากเพราะท่านเป็เด็กพระสงฆ์แล้วเราก็คงจังไม่ได้พบพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้นี่ด้วยอานาจของสงฆ์ที่ท่านได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาตามลาดับ เราจึงได้พบพระพุทธศาสนาฉะนั้นประสงค์ที่ท่านรักษาพระพุทธศาสนามาให้ถึงพวกเราในปัจจุบันนี้ได้จึงไปบุคคลที่ควรแก่การะระลึกถึงะระลึกถึงท่านอยู่เสมอเพราะอย่างน้อยท่านก็ได้ดํารงพระพุทธศาสนามาให้เป็นสมบัติถึงพวกเราในปัจจุบัน ถ้าพระพุทธศาสนาไม่มีพระสงฆ์สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธศาสนานี้ก็จะดำรงอยู่ไม่ได้จะต้องเสื่อมสิ้นไปในที่สุดเพราะว่าแม้พระพุทธองค์จะตรัสว่าในบรรดาพุทธศาสนิกชนนั้นรวมกันเป็นพุทธบริษัทและองค์การของพุทธบริษัทนั้นท่านจําแนกออกไปเป็นสคือฝ่ายสอง ภิกษณุณีอุบาสกอุบาสิกาได้แยกออกไปเป็นสี่ประเภทรวมเรียกว่าพุทธบริษัทบริษัททั้งสี่นี้แหละที่ดํารงพระพุทธศาสนาไว้หรือเป็นผู้ที่กำความเป็นความตายของพระพุทธศาสนาไว้พระพุทธศาสนาจะเจริญหรือเสื่อมก็อยู่ที่พุทธบริษัทนี่เป็นสําคัญคนอื่นๆ ไม่สามารถที่จะทําให้เสี่ยมได้ถ้าหากว่าพุทธบริษัทสีนี้ไม่ทําฉะนั้นผู้ที่เป็นพุทธบริษัทไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตามในฐานะแห่งความเป็นบริษัทแล้วเราก็เป็นพุทธบริษัทเสมอเหมือนกันคือมีฐานะในความเป็นพุทธบริษัทเหมือนกัน แต่ในจานวนพุทธบริษัททั้งสี่นี้พระพุทธองค์ได้ยกย่องพระสงฆ์เป็นพุทธบริษัทอันดับหนึ่งรองลงมาก็ภิกษุณีแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาที่ยกเอาพระภิกษุสงฆ์เป็นพุทธบริษัทอันดับหนึ่งนั้นก็เพราะว่างานของพระพุทธศาสนาทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาปริยัติธรรมหรือการปฏิบัติธรรมยยอยู่ภายใต้อำนาจของพระสงฆ์สาวกส่วนมากพระสงฆ์มีบทบาทสคัญในเรื่องการศึกษาและการปฏิบัตินี้ตลอดจนการเผยแพร่พระธรรมนั้นพระสงฆ์ก็อยู่ในอันดับหนึ่งซึ่งเป็นพุทธบริษัทที่จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องของการ่วยแพร่ด้วย ฉะนั้นในจำนวนพุทธบริษัททั้งสี่ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้นั้นภิกษุบริษัทจึงเป็นบริษัทชั้นนำชั้นหนึ่งซึ่งมีความสาคัญเป็นอย่างมากปัจจุบันนี้อุบาสุอุบาสิกาทั้งหลายจึงฝากความหวังไว้กับพระสงฆ์เป็นส่วนใหญ่คือฝากความหวังเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาเนี่ยไว้กับพระสงฆ์ ความจริงแล้วเรื่องของพระพุทธศาสนา น, นั้นจะเจริญหรือจะเสื่อมไม่ใช่อยู่ที่พระสงฆ์ฝ่ายเดียวแต่อยู่ที่อุบาสกและอุบาสิกาด้วยในปัจจุบันนี้เราขาดไปบริษัทหนึ่งคือภิกษุณีภิกษุณีบริษัทเนี่ยไม่มีแล้วเราขาดไปบริษัทหนึ่งถึงเยาสมณเณรเข้ามาแทนที่ สมเีนเก็ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะรับผิดชอบต่อพระพุทธศาสนามากมายนักเพราะว่ายังอยู่ในวัยเล็กมากเกินไปแต่ผู้ที่ได้รับงานงพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่นี้ก็คือพระสงฆ์อุบาสกและก็อุบาสิกาเนี่ยทั้งสามบริษัทนี้มีส่วนรับผิดชอบต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากทีเดียวฉะนั้น ที่อุมาสกและอุบาสิกาได้ยกย่องพระสงฆ์ว่าเป็นทุทธบริษัทผู้นำฝากความหวังต่างๆไว้กับพระสงฆ์เป็นส่วนมากก็เพราะว่าพระสงฆ์นั้นมีบทบาทอันสำคัญมีโอกาสมากกว่าอุบาสกและอุบาสิกาที่จะรับใช้งานของพระพุทธศาสนาต่อทหากว่าจะพูดไปแล้ว พระสงฆ์กับฆราวาสนั้นพระสงฆ์มีโอกาสมากกว่าฆราวาสท้งนี้พระวบพระสง์ไม่ต้องมีภาระในการที่จะต้องหาเลี้ยงชีพตัวตนเองส่วนฆราวาสนั้นมีภาระจะต้องทํามาหาเลี้ยงชีพมีภาระต่อครอบครัวต่อสัองคมมนุษย์มากมายเหมือนกันฉะนั้นโอกาสที่อุบาสสและอุบาสิ ก, กาจะได้ศึกษาสัทธรมวินัยให้แบกฉาน หรือจะเผยแพร่พพุทธศาสนาให้กว้างขวางบนอย่างพระสงฆ์นั้นไม่อาจสามารถที่จะกระทำได้พระสงฆ์จึงมีส่วนที่จะทำได้มากกว่านี่เป็นเรื่องที่เราพิจารณาในด้านของความสำคัญหรือในด้านของธุระต่างๆว่าในจำนวนบริษัทเหล่านี้ใครควรที่จะได้รับภาระของพระพุทธศาสนามากที่สุด สรุปแล้วก็คือพระสงฆ์เนี่ยจะต้องเป็นผู้รับภาระแก่พระพุทธศาสนาเนี่ยมากที่สุดในเมื่อพระสงฆ์จะต้องรับภาระเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากอย่างนี้ก็จําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องระลึกถึงคุณของพระสงฆ์คุณของพระสงฆ์เนี่ยท่านหมายถึงคุณธรรมอย่างหนึ่ง หมายถึงคุณภาพอย่างหนึง่งคุณธรรมนั้นพระสงฆ์จะต้องสูงคุณภาพของพระสงฆ์ก็ต้องสูงที่ว่าคุณธรรมสูงเนี่ยคือพระสงฆ์จะต้องมีคุณธรรมสูงกว่าชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมในด้านใดด้านหนึ่งก็าตามจะต้องเหนือกว่าฆราวาสโดยทั่วไปคุณภาพก็จะต้องสูงกว่าชาวบ้านคือต้องสูงกว่าอุบาสกและอุบาสิกา ถ้าเราไม่ได้คุณธรรมกับคุณภาพของพระสงฆ์มากๆแล้วก็น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องงานของศาสนาเพราะถ้าหากว่าเราไม่ได้สงฆ์ซึ่งมีคุณธรรมเพียงพอมิได้มีคุณภาพดีเพียงพอกิจการของพระพุทธศาสนาต่างๆก็จะเสื่อมทรามลงตา ม, มลำดับพระสงฆ์ขาดคุณธรรม ก็เป็นที่พึ่งของอุบาสกอุบาสิกาไม่ได้พระสงฆ์ขาดคุณภาพก็จะบริหารงานพระพุทธศาสนานี้ให้เจริญรุ่งเรือไปไม่ได้ฉะนั้นการเสริมสร้างคุณธรรมกับคุณภาพในพระสงฆ์เนี่ยจึงเป็นเรื่องสัมพันธ์ในปัจจุบันนี้ว่าเราจะช่วยกันเสริมสร้างคุณธรรมกับคุณภาพของพระสงฆ์เนี่ยให้สูงส่งได้อย่างไร เป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะต้องช่วยกันคิดเพราะว่าเราอยู่ในฐานะเป็นบริษัท ร, ร่วมกันมีส่วนรับผิดชอบต่อความเจริญและความเสื่อมของพระพุทธศาสนาร่วมกันก็จะต้องพยายามสนใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษในเรื่องของคุณธรรมนั้นในสังฆคุณนี้ได้ระบุไว้แล้วว่า สุปฏิปันโนภะวโตสาวกสังโฆแปลว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วปุชุปฏิปันโนภะวโตสา ว, สาวกสังโฆพระสงฆ์ของพระผู้มีพระภาคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติตรง ยายาปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเยอยธรรมสามีจิปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆประสงค์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติชอบยิ่งอาหูเนโยควรแก่ของคำนับบาหูเนโยควรแก่ของต้อนรับทัพคิเนโย ควรแก่ทัศนาทานอัญเชรีกรณีโยควรแก่การกระทำอัญเชียกรรมอนุตรังคุณญญะเขตังโลกระสาเป็นเนื้อนาบุญของโลกอันประเสริฐเนี่เราได้สวดสรรเสริญคุณของพระสงฆ์อย่างนี้ทีนี้การนึกถึงคุณของพระสงฆ์เราจะต้องนึกไปตามลําดับองค์คุณของพระสงฆ์เนี่ยมีเท่ากับคุณของพระพุทธเจ้าคือมีเก้า เท่าจํานวนนะั้นไม่ใช่หมายถึงคุณธรรมเท่าจํานวนนั้นเท่ากันพระพุทธคุณมีจํานวนอยู่เก้าพระสังฆคุณก็มีจํานวนอยู่เก้าฉะนั้นการนึกถึงคุณของของพระสงฆ์เป็นอารมณ์นี้เราก็นึกตั้งแต่สุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆไปตามนําหนนะักที่ว่าพระสงฆ์สาวก ข, ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว ปัญหาที่เราจะต้องศึกษาในในคุณของพระสงฆ์ตามลาดับนี้ก็คือคำว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ปฏิบัติ ด, ดีแล้วนั้นปฏิบัติอย่างไรเรียกว่าปฏิบัติ ด, ดีแล้วเพราะในเรื่องของความดีก็เป็นปัญหาที่เรายัางถกเถียงกันอยู่ว่าแค่ไหนที่เรียกกันว่าดีแล้ว ปฏิบัติแค่ไหนที่เรียกว่าปฏิบัติดีแล้วและปฏิบัติอย่างไรที่เรียกว่าปฏิบัติดีแล้วเพราะปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความดีของพระสงฆ์ก็ยังรู้สึกจะควยแคว่เป็นอยู่มากมายมและก็เลยไม่สามารถจะวินิจฉัยได้ว่าอะไรแน่คือความดีของพระสงฆ์เพราะบางคนก็บอกว่าโอ้ยหลวงพ่อองค์นั้นน่ะดีถามมาดียังไงแม้ท่านบอกหวยแม่น งวดหน้าออกเลขอะไรก็อบอกได้แม่นมากดีแล้วเกินท่านมีของดีมากอีกคนก็บอกว่าโอ่องนุ้นก็ดีถามว่าดียังไงโอทรดน้ำมนเก่งถามว่าองค์นั้นดีไหม อ, องค์นั้นก็ดีดียังไงท่านดูรวงเก่งบางคนก็บอกว่าท่านนั่งทางในเก่งท่านอยูอ่สามารถที่จะ ทำเรื่องรางของขรังเมตตามหานิยมสูงท่านสามารถที่จะลงสเสน่ห์เร่คนอะไรต่างๆให้คนไหลหลงได้ดีหลายๆอย่างถาษาองนั้นองนั้นก็ดีถามว่าดียังไงแม้พูดดีจังพูดเก่งที่พูดเก่งก็มีองนั้นดีไหมดี ถามยวมดียังไงท่านก่อสร้างดีองนั้นก็ดีดียังไงท่านเรียนดีเลยไม่ทราบว่าความดีของพระสงฆ์เนี่ยอยู่ที่ตรงไหนเพราะว่าหลายๆท่านก็แล้วแต่ศรัทธาคือความเลื่อสใสว่าเราชอบทางไหนเราก็ว่าทางนั้นนะดีอยู่ที่ความชอบอยู่ที่ศรัทธาเหมือนยมมีศรัทธาต่อ ประสงค์ในเรื่องของดูโชคชะตาราศีเวลาเข้าวัดก็มักจะสนใจว่าวัดไหนบ้างที่มีพระหมอ ด, ดูองค์ไหนบ้างที่ดูแม่นถ้าพูดถึงพระหมอ ด, ดูในกรุงเทพแล้วโยมบางคนนี่รู้จักหมดอย่ให้อัตมาออกชื่อเลยถามว่าสุทัศน์องค์ไหนเหนื้อรู้หมดวัดมหาธาตุองค์ไหนดูดวงก็รู้ไปทุกวัดวัดไหนมีหมอ ด, ดูไปดูหมดทุกวัด ดูจนดวงชะตาขาดกเป็นดวงดวงข่าวัดนี้ออกวัดนั้นโยมบางค น, นรถน้ำมนต์เก่งรถน้ำมนต์เจ็ดวัดแปดวัดไปเรื่อยที่ไหนมีก็ไปที่ชอบเล่นหวยก็มักจะไปหาที่นั่งทางในเก่ง อ, องค์นั้นนั่งทางในดีที่ครอบครัวเราหองราแหงกันบ่อยๆก็มักจะไปหาหมอลงเสนียาแฝดบันอะไรบ้าง มีองค์นั้นเก่งทางนั้นทางนี้บางทีมาถามัาตมาบอกว่ า, วาองค์นั้นเก่งจริงไหมดีไหมท่านดีทางไหนเนี่ยถามว่าดีทางไหนบ่อยโยม ช, ชอบทางไหนละ <c oughs> คือมาถามความดีของพระสงฆ์ว่าดีทางไหนอาตมาเองก็ถูกถามบ่อยๆเอ๊ะท่ากิตติท่นานดีทางไหนนะ <c oughs> ถามเลยว่าท่านดีทางไหน <c oughs> บางคนก็ ไปขอหวยเอาดือ้อมีขอหวยอาตมาขอ ง, งวดหน้าออกอะไรบ้างก็ไม่ทราบอยากจะได้ไอ้สองตัวสามตัวเนี่ยบางทีก็ไปยําแย้มเอาดือ้อก็มีเนี่ยเราเข้าใจว่าความดีของพระสงฆ์ไปอยู่ที่สิ่งทั้งหลายราวนี้เพราะฉะนั้นจึงควรจะได้ศึกษากันสักทีหนึ่งว่าความดีของพระสงฆ์เนี่ยดีอย่างไรดีอยู่ที่ตรงไหนตรงไหนที่เรียกว่าดีแล้ว คำว่าสุปฏิปันโนคือคำว่าปฏิบัติดีแล้วเนี่ยปฏิบัติอย่างไรที่เรียกว่าปฏิบัติดีแล้วท่านอธิบายว่าสัมมาปฏิบัติสัมมาปฏิบัติอันใดที่พระสงฆ์สาวกได้ประพฤติปฏิบัติสัมมาปฏิบัติอันนั้น เป็นการปฏิบัติดีแล้วเช่นประสงค์เป็นผู้มีปฏิปทาตรงปฏิปทาตรงนะท่านทั้งหลายปฏิปทาไม่คดไม่งอไม่โค้งเป็นทางเครื่องดำเนินอย่างกระเสิริดปฏิปทาที่สมควรเรียกว่าปฏิปทาตรง ไม่คดไม่โกงไม่คดไม่โกงไม่โค้งไม่งอเหล่านี้เรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าไม่เบี้ยวคือปฏิบัติไม่เบี้ยวที่เราใช้สับตลาดตลาดกันว่าคนนั้นเบี้ยวซะแล้วคนนี้เบี้ยวซะแล้วอะไรทานองนี้เขาว่าปฏิบัติดีปฏิบัติตรง เขาบอกตรงในที่นี้ตรงต่ออะไรตลอกเป็นผู้ปฏิบัติตรงต่อพระธรรมวินัยตรงต่อธรรมวินัยคือธรรมวินัยตรัสสอนไว้อย่างไรก็ปฏิบัติตามธรรมตามวินัยอย่างนั้นไม่คดไม่งอหมายถึงไม่คดทางกายวาจาใจไม่งอด้วยกายวาจาใจไม่โคง้งทั้งทางกายทางวาจาและทางใจ เป็นผู้ที่มีปฏิบัติฐานตรงเป็นสัมมาปฏิบัติทีนี้สัมมาปฏิบัตินั้นปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นสัมมาปฏิบัติท่านอธิบายว่าประสงค์เหล่าใดดำรงอยู่ในองค์แห่งมรรคคือปฏิบัติอยู่ในมรรคประสงค์เหล่านั้นแหละชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วหรือปฏิบัติชอบแล้ว ปฏิบัติในมัช ก, ก็คือเป็นผู้ที่ดำเนินตามองมัช ก, การดำเนินตามองมัรแปดนั้นก็คือดำเนินตามศีลสมาธิปัญญาเริ่มต้นตั้งแต่สัมมาทิฏฐิประสงค์ที่ปฏิบัติดีแล้วนั้นจะต้องมีความเห็นชอบความเห็นชอบในที่นี้ก็คือเห็นต่ออริยสัจธรรมคือเห็นในทุกในเหตุ แห่งทุกในความดับทุกในทางที่ปฏิบัติไปสู่ความดับทุกต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นถ้าหากว่าไม่มีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเป็นเบื้องต้นแล้วก็ยังชื่อว่าได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามมรรคประการที่สองจะต้องมีสัมมาสังกัปปะมีความดำริงชอบประการที่สามต้องมีสัมมาวาจาคือการเจรจาชอบ มีสมารกรรมมันตัทำงานทำการงานชอบมีสมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบมีสมาวายามะบำเพ็ญความเพียรชอบมีสมาสติระลึกชอบมีสมาสมาธิคือตั้งใจมั่นชอบถ้าหากว่ามีความชอบตามองมัชทั้งแปประการนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามองมัชและอยู่ในสัมมาปฏิบัติหรือเรียกว่าปฏิบัติตรงตรงในที่นี้ หมายถึงตรงต่อจุดหมายตรงต่อจุดหมายในที่นี้ก็คือนิพพานเพราะว่าจุดหมายของพระสงฆ์นั้นก็คือนิพพานเป็นผู้ปฏิบัติตรงต่อพระนิพพานไม่ใช่ปฏิบัติเพื่ออย่างอื่นเพราะว่าคำว่าสงหรือคำว่าสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ท่านหมายถึงผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์ ผู้ดำรงตนอยู่ในเพศแห่งปรมจาจัน์นี้จะต้องเป็นผู้ที่มีการปฏิบัติตรงต่อพระนิพพานเช่นครั้งหนึ่งมีผู้มาทูลถามพระมาทูลถามพระพุทธองค์ว่าปรมาจันนี้พระพุทธองค์ปฏิบัติเพื่ออะไรหรือพยาถามตามภาชาบ้านก็คือที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้บวช บวชมาเพื่ออะไรถามมาบวชมาเพื่ออะไรพระพุทธองค์ได้ตรัสว่า